เมื่อวานใครมาบ้างเมื่อวานเมื่อวานสอนให้แล้วนะว่า ม, มันมีงานสองงานที่เราต้องฝึกงานฝึกใจตัวเองนะสมถะกรรมฐานเกิดวิปัสลากรรมฐานสมถะกรรมฐานนะีทำไปเพื่อเตรียมจิตนะให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญา วิธีการฝึกก็คือฝึกให้จิตมีสติกับสมาธิเห้นมาเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดแล้วก็มีสติคอยรู้เท่าทันถ้าต้องการความสงบเเอาสติเนี่ยจับอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานถ้าต้องการจิตที่ตั้งมั่นเนี่ย มีสติรู้ทันจิตที่มันไปทํางานในเราทําอารมณ์กรรมฐานพุโทโธหรือหายใจจิตมันไปทํางานนั่นนมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจไปเพ่งลมหรือหนีไปคิดจิตไม่ไปทํางานนีไปคิดบ้างไปเพ่งบ้างเผลอบ้างเพ่งบ้างมีสติรู้ทันตรงที่จิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมา จิตที่ตั้งมั่นไม่เคลื่อนโดยที่เราไม่ได้เจตนาฉนะนั้นสมถกรรมฐานเนี่ยจะมีสองอย่างต้องการพักผ่อนเอาสติเนจับเข้ากับตัวอารมณ์ต้องการจิตที่ตั้งมัน่นมีสติมีอารมณ์อยู่นะแต่ว่ามีสติรู้ทันการทำงานของจิตให้มันไหลไปที่ตัวอารมณ์กรรมฐานแล้วก็รู้มันนีไปที่อื่นเราก็รู้อันนี้เราจะได้จิตตั้งมัน่น เสร็จแล้วเราก็มาเจริญมิปัสสน า, นะาเรามีจิตตั้งมั่นแล้วเอาไปเจริญมิปัสสนาถ้าเราจะดูกายนะถ้าเราจะดูกายจะต้องใช้กำลังของสมาธิสูงงันกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาสองอันเนี้ยเหมาะ ก, กับสมถายานิก ทำสมาธิสะก่อนจิตสงบต้องสงบได้นะพอสงบได้ที่แล้วก็ถอยขึ้นมาตั้งมั่นมาดูมาดูกายนะทำไมต้องทำจิตสงบถ้าจิตไม่สงบพอไปดูกายมันจะทนไม่ไหวอันแรกแมันจะเห็นแต่ทุกข์เต็ไมไปหมดเลมันทนไม่ไหวสติมันจะแตก อีกอันหนึ่งก็คือเวลาทำสมาธิมากๆเนี่ยจิตมันจะขี้เกียจไปดูจิตเนี่ยไม่มีอะไรให้ดูมันจะว่างๆนั้นท่านเลยสอนมองให้ทำสมาธิมานะให้มันดูกายอย่างหลงปุ่มั่นนะก็สอนพุทโธแล้วก็มาพิจารณ์ ก, กายเพราะร่างกายนะถึงยังไงก็ไม่หายไปไหน แจิตมันไม่ยอมทำงานแต่ร่างกายยังไงก็ทำงานร่างกายต้องเปลี่ยนอธิยาบทไหมต้องหายใจไหมนะต้องเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยเมื่อเวลาทำสมาธิจนจิตนิ่งๆแล้วคืนไปดูจิตนะจะไม่มีอะไรให้ดูมจะว่างท่านก็เลยดูกายกั น, นอีกอย่างหนึง่งต้องทำสมาธิแล้วมาดูกายเนี้ยอันแรก ถ้าไม่ทำสมาธิเลยจิตไม่ทรงสมาธิใมระดับชานนะมาดูกายมันทุกข์มันทนไม่ไหวนี่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือถ้าจิตไม่ทรงสมาธิสูงจริงๆเนะจะไม่เห็นตัวรูปที่ซ่อนอยู่ในกายกายกับรูปไม่เหมือนกันนะสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวรูปจริงๆอะคือธาตุดินน้ำไฟลมนะ ในเส้นผมหนึ่งเส้นนะเป็นธาตุอะไรนะเธอเด็กก็ตอบว่าธาตุดินในเส้นผมมีอุณหภูมิไหมนั่นคือธาตุไฟที่ซ่อนอยู่ในธาตุดิ น, นเส้นผมเนี่ยมันเป็นเซลล์เล็กๆนี่ยมันต่อกันมันดึงดูดเข้าด้วยกันได้ตัวที่ทำให้มันดึงดูดเข้าด้วยกันได้เรียกว่าธาตุน้า ธาตุาลมเป็นความพลิ้วไหวของมันเพราะจริงๆแล้วธาตุทั้งสี่นี่มันจะอยู่ด้วยกันตลอดมันไม่แยกจาก ก, ากันหรอกในน้ำลายเป็นธาตุอะไรเราก็ว่าธาตุน้ำใช่ไหมมีวุณภูมิไหมมีใช่ไหมมีน้ำในตัวเรานี่เคลื่อนไหวไหม เคลืน่นไหวก็มีาธาตุลงมงั้นดูาธาตุจริงๆนะดูยากมากถ้าสมาธิไม่ดีพอนะดูไม่เห็นาธาตุจะเห็นแต่กายร่างกายขณะนี้รู้สึกไหมร่างกายมันพยักหน้าร่างกายยังไงตัวร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวรูปจริงๆร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเนะี่ย แต่มันประกอบด้วยธาตัวธาตุที่เป็นรูปแท้รูปจริงนะเป็นรูปรูปหลักเลเรื่องมหาภูตา ร, รูปนี่เราดูตัวรูปแท้ไม่เห็นนะดูยากมากเราก็มาดูกายร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเนะี่ยเขาเป็นรูปแต่ไม่ใช่รูปจริง ร่างกายนี่ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมไหมถ้าไม่มีดินน้ำไฟลมจะมีกายนี้ไหมไม่มนะีเพราะมนมันประกอบจากธาต์มาเองมาเป็นตัวเนี้ยแล้วเราสำคัญมั่นหมายว่าตัวนี้คือตัวเรานะท่านก็สอนลดระดับลงมาแทนที่จะไปดูตัวธาตุแท้ๆนะมาดูสิ่งที่ดูง่ายขึ้นร่างกายหายใจออกร่างกายห้ยใจเข้า นี่เรียกว่าอาณาปณสติบพะนะคือบทของอาณาปณสติเป็นบทย่อยๆในกายานุปัสนาสติปัฏฐานหรือดูลมหายใจแล้วมันเหน็ดเหนื่อยเกินไปมันเร็วเกินไปลมหายใจมันเปลี่ยนตลอดเวลาดูล้าเหนื่อยสู้ไม่ไหวดูอิริยาบถสีนะ่เรียกว่าอิริยาบถบพะในกายานุปัสนาสติปัฏฐาน อย่างขนาดเนี้นั่งอยู่รู้ไหมนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่เดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่นอนอยู่ก็รู้ว่านอนอยู่นะแล้วทําใจขึ้นมาตัวที่ยืนเดินนั่งนอนเนี้ยไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกทีแรกก็ทําใจนะคิดนาํมามาันไปหน่อยๆนะเป็นการจะตุ้นสัญญาให้ไปหมายรู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ย ให้สัญญาไม่เข้าไปหมายรู้ว่าไม่ใช่ตัวเราไปนการช่วยมันแต่ต่อไปพอสัญญามันหมายได้เองแนละมันจะเห็นในร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่หายใจออกหาใจเข้าร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจะเห็นเองนะตอนแรกยังไม่เห็นช่วยมันคิดพิจรารณานำร่องให้จิตมันหัดดูไตรลักษณ์ นี่เป็นอุบายแต่ตรงที่เป็นหลักเนี่ยจิตมันต้องเห็นไตรลักษ์เองถึงจะเป็นมิปัสสนะถ้ายัางเจือความจงใจไปหมายรู้ยังมีโลภะเจตนาอยู่มนะยไม่ใช่ของจริงนี่ไม่ใช่ของจริงอย่างการดูกายนะถ้าเราเห็นร่างกายห้ยใจออกห้ใจเข้า ไตรลักษณ์ที่เห็นได้ง่ายนะคืออ น, นิจจังรู้สึกไหมมันเปลี่ยนตลอดเวลาหายใจออกก็ไม่เที่ยงหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงเนี่ยดูอย่างนี้ถ้าดูลมหายใจนะั่นนะที่จริงดูได้ทั้งสามอันนะดูทั้งอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาได้แต่ตัวที่ดูง่ายๆพื้นๆเลยนะร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงนะอยู่ได้แป๊บเดียวก็เปลี่ยนเป็นร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจเข้าอยู่ ไม่นานก็เปลี่ยนเป็นร่างกายห้ยใจออกฉะั้นจะเห็นนะร่างกายนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดถ้าเห็นอีริยาบถสีนะ่เนี่ยตัวที่มันดูได้ก็อา น, น้จังทุกขังอนัตตาดูได้หมดเหมือนกันแต่ตัวที่เด็ดคือตัวทุกข์นั่งนานๆทุกข์ไหมนอนนานๆทุกข์ไหมยืนนานๆทุกข์ไหมแล้วมีอะไรอีกเดินนานๆทุกข์ไหมก็ทุกข์อีก อิทธาบทเนี่ยมันเป็นตัวที่ปิดบังความทุกข์ไว้อย่างพอเรานั่งนานๆเมื่อยใช่ไหมเราก็หลงนอนเลยเราก็รู้สึกหายเมื่อยละหายปวดหายเมื่อยไม่ทุกข์ละนอนไปนานๆนลเมื่อยอยีกลุกขึ้นมาไปทำโน้นทํานีนนะ่การเปลี่ยนอิทธิยาบทเนี่ยปิดบังตัวทุกข์เอาไว้แต่ถ้าเรามีสติรู้ดูร่างกายนั่งนะดูไปสบายๆดูไปเรื่อยๆ ให้เห็นทุกข์ก่อนนะแล้วค่อยเปลี่ยนอิริยาบถนะมองทุกข์ให้ออกก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนอิริยาบถนะถ้าจะใช้อิริยาบถอ่นะไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อิริยาบถเดินเดินน้อย่าง น, น้อยกน้ออะไรเงี้ะนั้นะเป็นบริกรรมนะเป็นสมถะเท่านั้นเลยขึ้นไปปัสสาะไม่ได้จริงอ่นะเพราะฉะนั้นถ้าจะดูอิริยาบถเนะี่ยดูให้เห็นตัวทุกข์ เดินนะดูไปตัวทุกข์มันเดินนั่งอยู่ก็ตัวทุกข์มันนั่งนอนอยู่ก็ตัวทุกข์มันนอนนะค่อยๆดูไปอย่างนี้แล้วจะเห็นในยร่างกายนี่ไม่ใช่ของดีนะมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยในกญญาย า, า, า, าทุวัสนาสติปัฏฐานบัพระที่สามชื่อสัมปชัญญปนะปัปพะสัมปชัญญะปัปพะอย่างเนขณะเนี้ยเรานั่งอยู่ ตรงยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะเป็นอิริยาบถใหญนะ่อยู่ในอิริยาบถบพะแต่สังเกตไหมขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยเรายัางกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกอยู่เรื่อยๆมานั่งที่หลวงพ่อแล้วจะเห็นเลยว่าพวกเราสืบเชื้อสายมาจากลิงแน่ๆเลยนะตลอดเวลาเลยนะเคยดูขนไหมขน ไม่ได้ต่างกันนะเนะนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายขยับนะอิริยาบถเดิมนี่แหละแต่มันขยับขยับเนี่ยนะมีสติรู้ตรงนี้ไปตรงเนี้ยรู้ก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อีกแหลนะแต่ถ้าเราเห็นตัวที่ขยับเนี่ยบางทีไม่ได้เจตนานะไม่ได้คิดจะเกาเลยมเกาพลวดไปแล้วนะมันเมื่อยนั้น กระดุกรด ก, กระดิกกระดุกกระดิกดูไปเรื่อยๆดูความกระดุกกระดิกความหยุดนิ่งความเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆดูไปดูไปมันจะเห็นนะร่างกายที่เคลื่อนไหวนี่นะของถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราหรอกอย่างพวกเราหลายคนเลยจำนวนมากนะเห็นร่างกายไม่ใช่เราเนะียครั้งแรกเห็นตอนแปลงฟัน เนี่ยที่มาส่งกันบ้านหลวงพ่อนะที่เก็บสถิติไว้เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราครั้งแรกนะตอนแปลงฟันขยับขยับอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนไหมก็ไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมปกติก็แปลงฟันก็อยู่ที่เดียวก็มีบางคนนะมันแปลงฟันมันก็เดินไปเรื่อยๆนี่ไม่น่าโรรกฮนเดี๋ยวที่รักเ น, นะนี่เคลื่อนไหว การที่เราเห็นความเคลื่อนไหวนี่ยมีสัมพัชัญญะบพะอยู่เจริญอยู่ในสัมพัชัญญาแับขยับขยับขยับมันอยู่ๆมันรู้สึกว๊าบขึ้นมานี่มันท่อนอะไรวมามันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปแล้วเป็นท่อนๆมันรู้สึกขึ้นมามันเห็นความเป็นอนัตตาของท่อนแขนแลฝึกเรื่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกเนี่ย เ, เห็นทั้งตัวเนี้ไม่ใช่เรา เห็นว่มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เราลึกกว่านี้เลยกว่านี้ไปจะดูยากแล้วจะเป็นเรื่องธาตุเรื่องอะไรนะนั้นเอาไว้ให้คนที่เขาสงชานจริงๆเล่นในกายานุปัสสนาที่ง่ายคนที่ไม่ได้สงชานอย่างพวกเราส่วนใหญ่ทําได้ก็มีเรื่องของมีสติเห็นร่างกายหายใจ มีสติเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนมีสติเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุด น, นิ่งนั่งฝังหลวงพ่อก็ทำหัวกระดุกกระดุกดกระดุกนะเหมือนจิ้งกา mm hmm. เคยเห็นจิ้งก่าไหมบทีมันอยู่กาต้นไม้เฉยๆมันก็ซาตุร <c oughs> <c oughs> ิ ตัวเวทนานตัวเวทนาเนี่ยในตําราก็บอกนะก็เหมาะกับคนทรงฌานถ้าไม่ได้ทรงฌานไปดูเวทนาเนี่ยทางกายนะสติจะแตกมันเจ็บจ น, นทนไม่ไหวงั้นอย่างสายกุเอ็นก้าเขาจะดูเวทนากันแต่ก่อนที่เขาจะดูเวทนาเขาทําอานาปานสติเขาทําสมาธิก่อน เพราะฉะนั้นถูกตำรานะถูกหลักทำฌานไม่ได้แล้วมาดูเวทธนาอันนี้ถูกหลักแต่ถ้าทำฌานไม่ได้อ่ะยากดูเวทธนากับเขาบ้างแต่ทำฌานไม่ได้หลวงพ่อมีทางออกให้ดูเวทธนาทางใจอย่าไปดูเวทธนาทางกายเวทธนาทางใจเนี่ยไม่ต้องทรงฌานหรอกดูได้ง่าย ขนาดนี้ใจเราสุขหรือใจเราทุกดูออกไหมขนาดนี้ใจเราสุขก็รู้เอาใจเราทุกก็รู้เอาใจเราเฉยๆไม่สุขไม่ทุ ก, ก็รู้เอานี่คือตัวเบธนาทางใจไม่ต้องมีฌานก็ดูได้ถ้าเข้าฌานนะมันจะเหลือสองอันนึ่เหลือสุขกับอุเบกขานะไม่มีทุ ก, กในใจมีแต่ความสุขหรือไม่ก็ เ, เป็นอุเบกขาอุเบกขาจัดมาเป็นความสุขขั้นประณีต ความสุขที่สูงกว่าความสุขนะเบียขาเนี่ยอย่างเวลาเราเข้าชานนะจิตมีความสุขนะแต่มันชื้นฉ่ำเบิกบานนะแลราต่อมาสติปัญญามันแทงตลอดลงมาความสุขเนี่ยยังเป็นเครื่องเสียดแทงจิตที่วางความสุขเข้าสู่เบียดขาไม่มีความสุขที่ประนีดยิ่งขึ้นความสุขเนี่ยกลายเป็นของหยาบนะปีตีนี่หยาบมาก กะถึงอุเบกขานี่ยประนีตประณีตกว่ากันเนันเวลาที่เราจะดูเวทนาทางใจนะเข้าชาญแล้วมาดูก็ยังได้ยังมีสองอันมีสุขะอุเบกขาเกิดดับสลับกันได้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ได้ทำมีภัศนาได้ถ้ามีหนึ่งเดียวเป็นสมถะเลย แต่ถ้าเราไม่ได้เข้าฌานเวทนาทางใจเราจะมีสามันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกเฉยๆจริงไหมภาวนาดูอย่างนี้ทั้งวันแค่นี้ก็พอแล้วดูไปทั้งวันก็จะพอแล้วแค่นี้เราจะเห็นเลยสุขก็ไม่เที่ยงทุ ก, ก็ไม่เที่ยงเฉยๆก็ไม่เที่ยงนะสุขก็รักษาไปไม่ได้ สั่งให้เกิดก็ไม่ได้รักษาไปก็ไม่ได้นี่เป็นอนัตตาทุกห้ามมันก็ไม่ได้มันเกิดแล้วไล่มันก็ไม่ไปมันเป็นอนัตตาเฉยๆก็เหมือนกันมันอยากเฉยมันก็เฉยเองมันจะไม่เฉยมันจะสุขจะทุกข์ขึ้นมาก็ห้ามมันไม่ได้งั้นถ้าดูเวทนาทางใจตัวที่เด็ดเนี่ยคืออนิจจงอนัตตาเวทนาทางกายหลวงพ่อไม่แนะนาหรอกหน้าตาอย่างพวกเราไม่ได้เข้าสมาธิ ดูแลทนไม่ไหวเจ็บขึ้นมาทุรนทุรายเวลาจะตายนะเจ็บขึ้นมาแล้วทุรนทุรายสุดท้ายนงะเวทนานจะครอบจิตจิตจะทุรนทุรายไปด้วยแล้วก็ไปอบายงันถ้าจะตายจริงๆนะพวกเราดูเวทนาในใจเราเนี่ยเวทนาในใจนะร่างกายมันเจ็บปวดใจมันเจ็บปวดด้วยรู้ทัน พอรู้ทันว่าใจมันเจ็บปวดไปด้วยนะความเจ็บปวดที่ใจจะหายไปมันจะหายเองเพราะเวทนาทุกขเวทนาในใจเนี่ยเกิดร่วมกับโทสะถ้าเรามีสติดูจิตดูใจอยู่โทสะไม่มีทุกขเวทนาทางใจจะไม่มีนะงั้นถ้าเวลาเจ็บป่วยนะแล้วร่างกายมันปว่วยแล้วใจทุรนทุรายเนีย มีสติรู้ทันใจที่ทุรนทุรายไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะไม่ต้องไปหาทางแก่นะแค่รู้เฉยๆแล้วมันจะดับให้ดูพอมันดับให้ดูเนี่ยจิตจะตั้งมั่นเป็นกลางเห็นร่างกายมันนอนดิ้นไปดิ้นมานะก็จะเห็นเองเวทนาก็ไม่ใช่ร่างกายเวทนามันสิงอยู่ในร่างกายมันแทรกอยู่ในร่างกายเท่านั้นเองจิตไม่เกี่ยวจิตเป็นคนดู คราวนี้มันเห็นเหมือนคนอื่นป่วยนะเห็นเหมือนคนอื่นเจ็บนะเราเป็นคนดูเฉยๆนะจิตก็ดีถ้าตายไปนะบุญบา ร, รมีเต็มก็ได้มรรคผลิพานถ้ายังไม่เต็มก็ได้สุคติแล้วไปพัฒนาต่อในชาติต่อๆ่อไปงั้นหลวงพ่อแนะนำนะให้ดูเวทนาทางใจไว้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้หัดไปอย่างนี้แหะ ตัวนี้นะสามารถก้าวขึ้นไปสู่มรรคผลได้ง่ายๆเลยเจอทั้งวันหนึ่งจิตมันเห็นนะสุขกับทุกข์เกิดแล้วดับเท่าๆกันเวลาเกิดความสุขไม่หลงยินดีเกิดความทุกข์ไม่หลงยินร้ายใจเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาอย่างยิ่งว่าสุขกับทุกข์นั้นมันเสมอกันล้วนแต่เกิดแล้ดับทั้งสิ้นลวนแต่บังคับไม่ได้ เงืนใจ Jennifer, surf, จะไม่หิวความสุขใจจะไม่เกรีดความทุกข์ใจจะเป็นกลางกลางตัวนี no ้เรียกว่ากลางด้วยปัญญาเรียกสังขารูปเปรคขายานไม่ใช่ง่ายนะที่เปทพทำกรรมฐานอะไรกันแล้วบอกได้ยานนั้นยานนี้ยานแรกยังไม่ได้เลยยั่งรูปนามยังไม่เป็นเลยส่วนใหญ่สมาธิไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่เกิดนั้นต้องฝึกสมาธิวิธีฝึกเมื่อวานสอนแล้วนะ ทำกรรมฐานไม่อย่างหนึง่งแล้วไม่เชาวก็มาสอนเพิ่มนิดหนึง่งทํากรรมฐานไม่อย่างหนึง่งถ้าต้องการให้จิตได้พักผ่อนนะเอาสติจับลงไปที่ตัวอารมณ์กรรมฐานแต่จับเบาๆนะมี่าไปจับหนี้นะใจไม่สงบอะแค่แตะๆเวลาเราขับรถอนะเราเกร็งอย่างนี้นะไม่มีความสุขนะแค่แตะพวงมาลัยนะมือโปรแล้วแค่แตะๆรถมันก็ไม่ตกถนนละ วิ่งตรงเพ้งเลยพวกที่หัดใหม่ๆจับแน่นนะลเลยไหมรถก็าสายนะถ้าเป็นสมัยโบราณรนถะใช้เกียร์เกียร์ใช้มือตอนจะเคลื่อนนะน ก, ก, นเ ก, นะ ก, ะก็เหมือนกบทุบๆๆใครเคยขับรถหัดขับรถใส่เกียร์กระตุกๆๆตุตุกเหมือนกบตอนวิ่ง วิ่งเหมือนงูจับแน่ น, นแต่รยก็สายนะสุดท้าย <c oughs> ก็ตายอย่างเขียดง <c oughs> <c oughs> ั้นเวลาเราอยากให้จิตสงบนะรู้แ ต, แต่รู้สบายสบายพุโทโธไปรู้ว่ารู้พุโทโธไปสบายสบายหายใจรู้หายใจสบายสบาย นะจะดูท้องผ่องยุคเป็นกรรมฐานก็ดูสบายๆจิตมจะสงบจิตสบายแล้วจิตมจะสงบถ้าจิตไม่สบายนะจิตจะวุ่นวายนี่ก็เป็นหลักนะเป็นกฎถ้าเราต้องการจิตตั้งมั่นมีสติรู้ทันจิตไม่ใช่ไปรู้ทันอารมณ์กรรมฐานถ้าจิตแนบเข้ากับอารมณ์กรรมฐานเป็นสมถะเฉยๆแต่ถ้า รู้ทันจิต ท, ทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตจะได้สัมมาส ม, มาธิสมถะกับส ม, มาธิเหลื่อมกันอยู่นิดหนึ่งนี่เราจะต้องได้ส ม, มาธิที่ดีจิตตั้งมัน่นจิตตั้งมั่นแล้วจะดูกายก็ได้ดูกายก็เลือกเอาที่ดูง่ายดูกายหายใจไม่ใช่เราหายใจดูกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอน ดูกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิง่งไม่ใช่เราเคลื่อนไหวไม่ใช่เราหยุดนิง่งให้ดูไปเรื่อยๆนะหรือดูเวทนาถ้าไม่สงชานดูเวทนาทางใจนะหรือไม่ชอบดูเวทนาก็เป็นเจริญจิ ต, ตานุปัสสนาสติปัฏฐานดูจิตที่เป็นกิเลสนะมีกิเลสมีอกุศลกนะับจิตที่ไม่มีอกุศลนะให้ดูไปนะอย่างเราได้ดู อย่างถ้าขี้โมโหแล้วก็ดูเดี๋ยวก็โกรธความโกรธผุดขึ้นมาแล้วรู้เฉยๆนะเดี๋ยวความโกรธก็ดับมีจิตโกรธแล้วก็มีจิตไม่โกรธทั้งวันะมีจิตอยู่สองแบบจิตโกรธกับจิตไม่โกรธคนไหนขี้โลภทั้งวันก็มีจิตสองแบบจิตโลภกับจิตไม่โลภคนไหนฟุ้งซ่านใจลอยเก่งนะก็จะเห็นนะเดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็รู้สึกเดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็รู้สึก ถ้ายังมีสิ่งที่เป็นคู่คู่อย่างเงี้ยทามีปัสสนาไดนะ้ถ้ารู้สึกอยู่เฉยเฉยนิ่งรู้สึกอยู่เฉยเฉยทมวปัสสนาไม่ได้จริงได้สมถนะจิตสงบในอารมณ์ันเดียวแต่ถ้าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงนะกลับกรอกยอกย้อนเนะอันเนี้ยเราจะเห็นใจรักได้นะยิงดูจิตก็ได้นะจิตมีราคารู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคา จิตที่ไม่มีราคาเป็นจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลไม่ใช่ไม่แน่จิตที่ไม่มีราคาอาจจะมีโทสะก็ได้ใช่ไหมหรือไม่มีราคามีโมหะเฉยๆยังไม่ปรุงราคาชัดๆออกมาให้เราเห็นนะเพราะฉะนั้นจิตที่มีราคาเนี่ยเป็นอกุศลแน่นอนนะจิตที่ไม่มีราคาเนี่ยอาจจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้ จิตที่มีโทสะนะกับจิตที่ไม่มีโทสะอันนี้ก็อีกคู่หนึ่งจิตที่มีโทสะเป็นอกุศลแน่จิตไม่มีโทสะเป็นอะไร <spielt> ก็เป็นในทั้งสองนั้นถ้าจิตมีโมหะกับจิตไม่มีโมหะจิตมีโมหะเป็นอกุศลแ น, น่ <sm all> อ น, นอนจิตไม่มีโมหะเป็นอะไรได้ทั้งสองอย่างไหมไม่ได้จิตไม่มีโมหะเป็นกุศลนะไม่เหมือนกันนะ เนี่คยค่อยๆเรียนไม่ใช่ต้องไปฟังหลวงพ่อแล้วจาไว้นะหลวงพ่อพูดมาจากสิ่งที่หลวงพ่อเห็นนะนะเพราะฉะนั้นเวลาพูดนะโองอาจก้าอาหารไม่กลัวใครหรอกมาเถียงกับเราก็ได้นะเพราะเราเห็นอย่างนี้จริงๆนะเนี่ยค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปธรรมานุปัสสนานะยังไม่แนะนํานะเดี๋ยวฟุง้งซ่านต้องต้องเจ๋งก่อนนะรู้จักเจ๋งไหมใกล้เคียงกับเจ๋ง นะเรายืมศัพท์ภาษาจีนมาใช้เจ๋งก็เจ๋งเพสมาธินะสมถะนะามีสองส่วนเห็นไหเอาสติจับไป้อยู่ในอารมณ์ันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเ น, นื่องจะได้ความสงบมีสติรู้เท่าทันจิตนะ เราจะรู้เท่าท่านจิตได้แล้วมีอารมณ์กรรมฐ า, านเป็นตัวตั้งไว้ก่อนจิตไหลไปที่อารมณ์กรรมฐ า, านก็รู้จิตหนีจากอารมณ์กรรมฐ า, านก็รู้ตรงที่รู้จิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาจิตจะตั้งมั่นนะจิตจะตั้งมั่นไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้จงใจเสร็จแล้วก็มาเจริญปัญญาอย่าตั้งซื้อบื้ออยู่เฉยๆต้องเจริญปัญญาเมื่อก่อนนะชอบมีคนมาอ้างเนะรืหลวงพ่อประโมทสอนให้รู้ตัวอยู่เฉยๆสอนเตี่ยมึงสิ รู้ตัวเฉยๆเป็นสมถะนะพอรู้ตัวได้แล้วต้องเดินปัญญาจะดูกายก็ดูไปดูเวทนาแนะนำเวทนาทางใจก็ดูไปกายก็แนะนำสามสามบับอนาปนสติอิริยาบถสัมปัญญะสามตัวสัมปัญญะคืออิริยาบถย่อยๆ่อยยุกๆิยุกยิกอะไรอย่างนี้ รู้ไปเลยก็รู้ว่าเรามาจากตระกูลลิงพวกเดียวกันนะไม่อยู่นี่ไงหรือดูเวทนาแนะนำให้ดูเวทนาทางใจจิตนตะานุปัสสนาเนี่ยแนะนำให้ดูตัวที่กิเลสที่แรงที่สุดของเราตัวไหนราคะแรงก็ใช้ราคะกับไม่มีราคะาโทสะแรงก็ใช้โทสะกับไม่มีโทสนะเนี่ยจับคู่มันนะ ใจชอบเผลอรู้ตัวเก่งนะรู้ตัวแล้วก็เผลอรู้แล้วก็เผลอแนะนําให้ใช้จิตมีโมหะกับจิตไม่มีโมหะนะแนะนำมีมีการแนะนําด้วยนะแบบติวเตอร์เลยเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> พวกเราก็จําไว้แล้วก็ข้อสอบออกก็กรอกเขียนได้ภาวนามไม่ได้สักทีนะอย่าจําทิ่งที่หลวงพ่อสอนนะจําหลักที่หลวงพ่อสอน แต่เนื้อหาความรู้ทั้งหลายไม่ต้องจาหรอกจำแค่ว่าทำยังไงจิตจะสงบทำยังไงจิตจะตั้งมั่นทำางไงจะเจริญปัญญาได้จำแค่นี้ที่เหลือไปทำเอาเองนะแล้วปัญญาความรู้ความเข้าใจต่างๆนะมันจะเกิดด้วยตัวของเราเองนะไม่ใช่ฟังหลวงพ่อแล้วก็ปิ๊งปิ้งชิดเอาเองจำเอาสู้กิเลสไม่ได้ความจำสู้กิเลสไม่ได้นะ ต้องการที่เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกะจะมันเข้าใจคำว่าเข้าใจนะภาษาไทยนี่ดีดีเข้าใจไม่ใช่เข้าสมองหรือเข้าหูซ้ายออกหูขวาไม่ได้เรื่องนะไปกินข้าไปนี่หมดเลยครับ